จงเอาเครื่องประดับกายของพวกเจ้าณทุกมัสยิดและจงกินและจงดื่มแต่จงอย่าฟุ่มเฟื่อยแท้จริงพระองค์ไม่ชอบบรรดาผู้ที่ฟุ่มเฟื่อยทั้งหลายาอบว คือที่นี่แหละที่นั้นอ่านในชีวิตนี ي ในวันขึ้นคือการที่จะต้องมีการอ่านที่จะต้อมีกา่านที่จะต้องมีกา่าบุด่จะต่าที่จ้งการ่าองมีกร่าะตองการ่าที่ะ้อมการอ่จองาระต้กาอาที่อกรอะองมีที่้รทงร้งให้ออกมาสําหรับวงบ่าวของมระอง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 ا ا สำหรับทุกประชาชาตินั้นมีกำหนดเวลาหนึ่งครั้นเมื่อกำหนดเวลาของพวกเขามาแล้วพวกเขาจะขอให้ลาช้าออกไปสักชั่วโมงหนึ่งก็ไม่ได้และจะขอให้เร็วไปกว่าก็ไม่ได้ يا بَنِي يَأْتِيَنَّكُمْ يَقُصُّونَ آدَمَ إِمَّا رُسُلٌ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ وَأَصْلَحَ فَلَا عَلَيْهِمْ وَلَا يَقُصُّونَ اتَّقَى فَمَنِ يَحْزَنُونَ خَوْفٌ هُمْ โอ้ลูกหลานอดัมเอถ้ามีบรรดาศาสนาทูตในหมู่พวกเจ้ามายังพวกเจ้า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 และแสดงโอหังต่อองค์การเหล่านั้นชนเหล่านี้แหละคือชาวนารกโดยที่พวกเขาเจนอยู่ในนรกนั้นตลอดกาล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 และผู้ใดเล่าที่อาธรรมยิ่งไปกว่าผู้ที่อุปโลกความเท็จให้แก่อัลลอ์หรือปฏิเสธบรรดาโอ์การของผร้งชนเหล่านี้แหละส่วนของพวกเขาที่ถูกกำหนดไว้นั้นก็จะได้แก่พวกเขาจนกว่าบรรดาทูตของเราจะเอาชีวิตพวกเขาได้มาอย่างพวกเขาโดยกล่าวว่าไหนเล่าสิ่งที่พวกเจ้าวิงวอนขออื่นจากอัลลอ์พวกเขากล่าวว่าเขาเหล่านั้นได้หายหน้าไปจากเราเสียแล้ว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 حتى إذا داركو فيها ج م ي ع ا قالت أخرىهم لأولاهم ربنا قالت أخرىهم لأولاهم ربنا هؤلاء أضلنا و فأتهم عذاب ا ضعف من النار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 ล ب ب และกลุ่มแรกของพวกเขาได้กล่าวแ ก, าวก่กลุ่มหลังว่าพวกเจ้าไม่มีความดีเด่นใดๆเหนือพวกเรา ดังนั้นพวกเจ้าจงลิ้มรสการลงโทษนึ่องด้วยสิ่งที่พวกเจ้าแสวงหากันไว้เถิดอินนัลลอีนคบบุบิอายาตินา ح ه م ا ء لا لهم تفتح يدخلون يلجل الجنة แท ي จริงบรรดาผู้ที่ปฏิเสธบรรดาองค์การต่างๆของเราและได้แสดงโอหังต่อองค์การเหล่านั้น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 สำหรับพวกเขานั้นคือนอกจากนรกยานนำและจากเบื้องบนของพวกเขานั้นมีสิ่งครอบคลุมอยู่และในทรรนองนั้นแหละเราจะลงโทษผู้อารรมทั้งหลายวผู้ที่อ่านและทำสิ่งที่าีและไม่ทำสิ่งที่ชันวจลลม่ต้องรับโทษใดๆเหล่านั้นเป็นผู้ที่จะได้รับการอวยพรในสวรรค์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 และชาวสวรรค์ น, นั้นได้เรียกร้องชาวนรกว่าแท้จริงพวกเราได้พบแล้วว่าสิ่งที่พระผู้บานของเราได้สัญญาแก่เราไว้นั้นเป็นความจริง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 คือบรรดาผู้ที่ขัดขวางทางของลอและปราถนาทางนั้นคดเคี้ยวและต่อวันประโลกนั้นพวกเขาปฏิเสธสัตย์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 โดยที่พวกเขายังไม่ได้เข้าสวนสวรรค์และพวกเขาก็มีความปรารถนาอย่างแรงกล้าและเมื่อบันดาสายตาของพวกเขาหันไปทางชาวนารกพวกเขาก็กล่าวว่า โอ้พระผู้บานของเราโปรดอย่าให้พวกเราร่วมอยู่กับกลุ่มผู้อัธรรมเหล่านั้นเลยและบรรดาผู้ที่อยู่บนกำแพงนั้นได้ร้องเรียกชายกลุ่มหนึ่ง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 วَ ا د ั ا أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله قالوا إن الله حرمهما على الكافرين ะ่าวนารุก็ได้ร้องเรียนชาวสวรรค์ด้วยกล่าวว่าจงเทน้ำลงมาให้แก่เราด้วยเถิด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 มม ค, คือบรรดาผู้ที่ยึดเอ า, าศาสนาของพวกเขาเป็นสิ่งให้ความเพลิดเพลินและเป็นของเล่นและชีวิตความเป็นอยู่ในโลกนี้ได้หลอกลวงพวกเขาดังนั้นวันนี้เราจะลืมพวกเขาบ้าง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 และความเมตตาแก่กลุ่มชนผู้ศรัทธา เขาเหล่านั้นไม่ได้คอยอะไรนอกจากผลสุดท้ายแห่งคำพีนั้นเท่านั้น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 พวกเขาได้ยังความขาดทุนให้แก่พวกตัวของพวกเขาเองและสิ่งที่พวกเขาเคยอุปโลกขึ้นนั้นได้หายหน้าหายไปจากพวกเขาอินร <ST> ับบัคนุลลอฮฺที่ خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على الأرض ث ث ทรพระผู้บานของพวกเจ้านั้นคืออัลลอฮ์ผู้ทรงสร้างบรรดาชั้นฟ้าและแผ่นดิน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 เอาพระผู้ทรงมหาบริสุทธิ์ผู้เป็นพระผู้อภิบาลแห่งสา ก, กลละโลกพวกเจ้าจงยิงวอนต่อพระผู้อภิบาลของพวกเจ้าในสภาพสำรวมตนและปกปิดแท้จริงพรงไม่ทรงชอบบรรดาผู้ที่ละเมิด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 และความปรารถนาอันแรงกล้าแท้จริงความเมตตาของรอ น, นั้นใกล้แก่ผู้กระทำความดีทั้งหลายม และโปรงนั้นคือผู้ที่ส่งลมลงมาเป็นข่าวดีที่อยู่เบื้องหน้าความเมตตาของโปร่งจนกระทั่งเมื่อมันได้แบกเมฆ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 ละเมืองที่ดีนั้นพืชของมันจะงอกงามด้วยอนุมัติโดยพระผู้อวบาลของมันและเมืองที่ไม่ดีนั้นพืชของมันจะไม่ออกนอกจากในสภาพแกรนในทํานองนั้นแหละเราจะแจกแจงบรรดาองค์การทั้งหลายแก่กลุ่มชนที่ขอบคุณ และแท้จริงเราได้ส่งนัวไปยังกลุ่มชนของเขาแล้วเขาได้กล่าวว่าโอ้กลุ่มชนของฉันจงเคารพพักดีต่อล้อเถิด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 เพื่อเขาจะได้ต hey e <inya> ักเตือนพวกเจ้าและเพื่อที่พวกเจ้าจะได้ยำเกรงและเพื่อที่พวกเจ้าจะได้รับความเมตตาแล้วพวกเขาได้ปฏิเสธนัวภายหลังเราได้ช่วยเขา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 และยังกลุ่มชนอาร์ตนั้นเราด้วยงฮูดซึ่งเป็นญาติพี่น้องของพวกเขาไปโดยเขากล่าวว่าโอ้กลุ่มชนของฉันจงเคารพภักดีต่อลอตเถิดไม่มีพระเจ้าที่ควรได้รับการเคารพสการะใดๆสำหรับพวกเจ้าอื่นจากปรุงพวกเจ้าไม่ยังเกรงบอกหรือกกาลลลลมมมอีน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 เขากล่าวว่าโอ้กลุ่มชนของฉันไม่มีความโฉดเข่าใดๆอยู่ที่ฉันแต่ทว่าฉันคือาศาสนาทูตคนหนึ่งที่มาจากพระผู้อภิบาลแห่งสากลโลก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 โดยผ่านชายคนหนึ่งในหมู่พวกเจ้าเพื่อที่เขาจะได้ตักเตือนพวกเจ้าและพวกเจ้าจงรำลึกเถิดขณะที่พระองค์ทรงให้พวกเจ้าเป็นผู้ที่สืบแทนต่อมาหลังจากกลุ่มชนของนัวและได้ส่งเพิ่มพละกำลังแก่พวกเจ้าในการบังเกิดดงนั้นพวกเจ้าพึงรำลึกถึงความกรุณาของอลรถเถิดเพื่อว่าพวกเจ้าจะรับความสาเร็จ พวกเขากล่าวว่าที่ท่านมาหาพวกเรานั้นเพื่อเราจะได้เคารพพักดีแด่อัลลอ์เพียงองค์เดียว และละทิ้งสิ่งที่บรรพบุรุษของพวกเราเคยเคารพพักดีมากระนั้นดือจงนำสิ่งที่ท่านได้สัญญากับพวกเรามาอย่างพวกเราเถิดหากท่านอยู่ในหมู่ผู้มีสัจจะ อลลเาามมมมิินนนนุุัรรูอีเขากล่าวว่าแน่นอนได้เกิดการลงโทษขึ้นแก่พวกเจ้าและความกริว้วโกรธจากพระผู้อภิบาลของพวกเจ้าพวกเจ้าจะโต้เถียงฉันเกี่ยวกับชื่อที่พวกเจ้าและบรรพบุรุษของพวกเจ้า ได้ตั้งมันขึ้นมาเองกระนั้นหรือโดยที่อัลลอฮ์ไม่ได้ทรงประทานหลักฐานใดๆมาสำหรับชื่อเหล่านั้นเลยดังนั้นพวกเจ้าจงรอคอยเถิดแท้จริงฉันขอร่วมกับพวกเจ้าด้วยในหมู่ผู้ที่รอคอย